ฟังทำกันเนาะมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วเอาอไปทาถ้าไม่มีการกระทามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทา ทำเป็นสิ่งที่จำแนกสัตว์ทั้งหลายทาดีก็ย่อมดีทําชั่วก็ย่อมชัว่วว่าเรามีกายมีใจถ้าเรากรทำทางกายท้งใจที่ไม่ถูกต้อง ก, ก็เป็นทุกข์เป็นโทษเดี๋ยวเรน ทางกายทา้งใจถูกต้องก็เป็นประโยชน์การเิ่นเสียทึงโทษการทำประโยชน์ก็คือวิชากรรมาฐานวิชากรรมาฐานนี่เป็นวิชาที่ละความชั่วทำความดีทำจิตในบริจุท์ที่จะเกิดเป็นฉินสมาธิปัญญา เกิดเป็นพระขึ้นมาเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเกิดมาผลผลขึ้นมาจะอ้อนวอนไม่ได้ขอไม่ได้เรามีกายมีใจเป็นเครื่องมือทําความดีสูงสุดเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเกิดมาผลนิพพานแต่เราใช่ไม่เป็นก็เป็นลำบายไปชั่วบ่าย เป็นจันโลกเป็นเปรตเป็นชัลลกายมีรัดฉานเป็นภูมิไม่เจริญก็เสียชาติที่ได้เกิดมาที่นี่ก็สอนวิชากรรมาฐานตามที่พระเจ้าสอนตามตามที่พุทธเจ้าสอน เงินข้อที่พระเจ้าห้ามตามตามข้อพระ อ, องค์อนุญาตคือวิชากรรมฐานนี่เดียนวิชานี่อย่างเดียวไปได้ไกลเกิดฉิ น, นเป็นสมาธิเป็นปัญญาและความชั่วทำกมดีจิตบริสุทธ พวกเรานี่ในฐานหน้าที่มีศรัทธาออกบัวจากเรือนไม่เจี่ยวขอ้องด้วยเรือนศรัทธาอาคาลัสัมาอนนาคาหรือยังปภาสุตาที่เราได้สวดในสาธิยายปนานาคลิกะบุคคลไม่เจี่ยวขอ้องด้วยบ้านด้วยเรือน แม่มีบ้านก็ทําไป้ม่ไม่ ม, มีมาทำกรรมฐานก็ไปต้องทิ้งบ้านไม่ใช่เอาทิ้งวางไว้ก่อนกวางไว้นั่นมีรูปมีเมียก็วางไว้นั่นมีทรัพย์สมบัติก็วางไว้นั่นไม่ใช่โทษทิ้งมาทำกรรมฐาน คิดเรามันมีอันเดียวเฉพาะหน้าถ้ามีสติอันอื่นก็ไม่มีถ้าไม่มีสติอันอื่นก็มีเยอะแยะยังทำเป็นตัวเป็นนาคาลิกะบุคคลไม่มีอาชีพทางจิกขอเลยทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต กุังสิกขาสาชิวสมาปนันาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทมเป็นเครื่องเลียงชีวิตของเราทั้งหลายชีวิตที่มันจะเหนอการเกิดเจ่เจ็บตายต้องเลี่ยงด้วยสิกขาและทมสิกขาคือเะลุงเคยย่อยได้แต่เนื่อให้เกิดเป็นธรรมขึ้นมา ให้กายได้รับความเป็นธรรมให้ใจได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาเลี้ยงรวยอย่างนี้ไม่ใช่เลี้ยงรวยข้าวปลาอาหารข้าวปลาอาหารก็ไม่แต่แก่เก็บตายไม่ค่อยจะมีคนทาอาจจะเป็นบาปกอได้ เรี่ยงไม่เป็นก็เป็นบาปบาชีพทุจริตจิกขาเลิศธรรม่คือเป็นอาหารตังจิตวิญญาณมีสตินี่คือสิกขามี่ธรรมเื่อความดีเกิดขึ้นามหลงไม่เป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรม บริโภคความเป็นธรรมหาความเป็นธรรมได้จากกาจากใจนี้สิ่งที่ทําให้ไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นที่กาที่ใจนี้ถ้าเรามีสติจะรู้จั ก, จ, กจะได้เห็นไม่ต้องจนเลือกได้ชีวิตที่เลือกได้เลือกให้เกิดความเป็นธรรมได้ในกายในใจนี้ อาจจะเลือกได้ทุกขั่วโมงทุกหนึ่งอาทีทุกนี่นาทีมีให้เลือก้ามีสติสติปัฏฐานเป็นสติที่ย่อยแยกคือขบเคี้ยวหรือว่าทรามวิจยะขบเคี้ยวอะไรเกิดขึ้นมามีสติขบเคี้ยวรู้จึกตัว พอรู้จักตัวก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมานั่นจะได้เปลี่ยนมันการเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีการเปลี่ยนความผิดให้เป็นความถูกนี่ว่าปฏิบัติธรรมจาเป็นมากในคราวที่อะไรมาเกิดขึ้นกับกว่ายกับใจต้องมีการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนให้เป็นความดี มีสติเป็นเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงมาไล่เป็นดีได้ถ้ามีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้เพราะสติมันไม่เหมือนอันอืดนมันเหนือทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จักหมดถ้ามีสติเป็นเกณฑ์ชีวัด ถ้าไม่มีสติก็เอาหมดทุกอย่างซึมซับหมดทุกอย่างขาดสติก็ซึมซับอกความชั่วอาจจะยเยอะเยะไปมากไปก็มีนดินโพดของหมู ถ้าเรา ม, ามีสติดูขอยดูใจในมิตรงานแต่การที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ทําความดีเฉพาะหน้าทันทีกู้แขนเข้ารู้สึกอย่างฉันดอกรู้สึกจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวจะได้เปลี่ยนนันเป็นความรู้สึกตัวนี่อาหารทางกิจวิญญาณ ในรับเข้าไปในรู้เข้าไปความรู้ก็มากรู้มากรู้ความหลงก็น้อยลงน้อยลงแล้วความชั่วได้ทำความดีได้ทำกิจบริสุทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นถ้ามีความรู้เป็นพลัง มีศรัทธาเชื่อในความรู้ในความเพียรขยันรู้ก็ทาไปมาเกิดความขยนมันเรื่องกิดความเพียรมาเกิดความใส่ใจมันเห็นผลเหมนกันออกกำลังกายมันเห็นผลเกิดขึ้น ไม่ได้รอชาติหน้าแต่เป็นบุญก็เกิดขึ้นลูกบุญคือลูกไม่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจลูนี่คือบุญพอลูกก็ไม่ทำความผิดพอลูกก็ทำแต่ความดีโดยให้กายให้ใจทำความดีกายก็ได้บุญเกิดความดีความถูกต้องความรันธรรม ม่อนสุ่มความไความสุขที่เกิดจากบุญไม่เหมือนบาปเป็นความทุกข์ที่เกิดจากบาปเป็นความโกรธความโลภความหลงควาไม่โกรธความไม่โลภไม่หลงเปลี่ยนที่เดียวกันไม่ความหลงใม่ความไม่หลง ในความโลภในความไม่โลภในความทุกข์ในความไม่ทุกข์มาไล่เป็นดีเก็บเอาความดีจากความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมากับการกระจายตรานี้จะทำให้เฉดีจะได้เห็นได สิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาเกิดความขยันเหมือนเพียนมันก็อาชีพทางจิตวิญญาณไม่ไม่ไม่ฟรี free, เหมือนโดกกำลังกายเส้นแข่งเขนยืนให้ถูกต้องแข่งเขนให้ถูกต้องเอลิ่นกดเพดานไว้ มันจะขับเลือดขับลมลมก็จะขึ้นเบื้องบนเออออกลมจะพัดลงเมืองล่างปล่อยลมออกขับเลือดขับลมเลือดก็จะดีลมก็จะดีถ้าเลือดดีลมดีอะไรก็จะดีไปอีกหลายอย่าง <c oughs> ในการออกกำลังกายก็มีผลขึ้นมาเรากรินข้าวเยอคืนลงไปแต่ละคําก็มีความอิ่มขึ้นมาเองความหิวก็หมดไปเองว่ามีความอิม่มเกิดขึ้นมาจากอาหารกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นพลังงานทำความดีเกิดข้นที่หัวที่ใจทำให้ประการสุขภาพ เพราทเราทำขึ้นมาการกระทำขึ้นมาอาหารดังกิวิญญาณก็เช่นเดียวกันได้ประโยชน์ขึ้นมาต่างเก่าพุ่นภาวะเดิมเนี่ยเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากต้มาได้เฉลย ้ความชั่วเนี่ยเมื่อไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีก็เกิดอะไรขึ้นอีกมากมายจากคนดีกายดีใจดีงั้นพือนเมื่อวานเลยว่าในโลกนี้คนดีขนาดแคนคนชั่วอาจจะมากกว่าคนดี ในหวงตัวเรานี่และมีจิจะได้เห็นเห็นความหลงคามกลัวความรู้ฝึกใหม่ๆ ม, มันแย่งไปไปทางตาบ้างไปทางหูจะหมกเรื่องกายใจให้ผ่านไปทางใจนี่เยอะมาก <c oughs> ทางใจจะสร้างจะบวชสิบสี่สิบห้าตังบะอาจจะลู้สักสองสาม จังหวะที่เคลื่อนไหวเท่านั้นนอกนัก้นก็หลงไปต้องทวนกระแสกันใหญ่ผู้มีลูกก็คิดแบบคนมีลูกคนมีผัวมีเมียก็คิดแบบคนมีผัวมีเมียคนมีความทุกข์ก็คิดแบบคนมีความทุกข์คนมีความสุขก็คิดแบบคนมีความสุข แ, แต่มาจะคิดไปเพราะมันเคยชิน ใจขางเรามก็หลายอยู่ <c oughs> หลยอยู่เรื่อยกลางคืนคก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดเพมื่อให้มันอยู่ที่เดียวมันไม่ยอมไหลไปสิ่งที่มันเคยไหลแล้วก็ต้องกลับมาลู่กลับมาลู่ใหม่ๆก็ต้องทวงกระแสต้องสู้นกน้อยก็จดยากชั้นหนอย ควมรู้ ก, ก็จะยากต้องเข็นกันอันความหลงอาจจะง่ายมันน้อมหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ำถูกใหม่ๆเป็นอย่างนั้นกันทุกคนนอกจากเกิดทางคิดใจแล้วที่เป็นความหลงในทางความคิดเกิดความงงเหงาหงอยนอนอะต่างๆมากมายทมันจะเกิดขึ้นบหาเรื่องหะเราให้เราหลง เอาความมุ่งมังมใส่หมดเลี้ยงหมดแรงเลื้นดาวไม่ขึ้นทำให้ความอยากหลับอยากนอนวางความเพียร ต, ตั้งกลางคืนก็นอนเต็มที่แล้วกลางวันก็นอนอีกอทิ้งความเพียรเลยไม่ได้ ความเพียรสติไม่ก็เลยงอกงามแล้วก็ปลูกข้าวในลาลานหินก็มันค่อยจางงามเราจึงมีศรัทธามีความเพียนมีสติมีปัญญาช่วยหลายทางเอาอย่างพุทธเจ้าอย่างคนดี เวลาใดคน่วงเกิดขึ้นมาก็เอคิดเสีย ว, ว่าเออผู้เจ้าก็เห็นเรื่องนี้จึงได้เทศนาว่า่วงเหงาหอนอนเป็นผู้เขาลูกแรกว่านิ่หวรรรนรละทำจนผู้เขาลูกแรกต้องก้ามก้าวข้ามไปใครก็เหมือนกันว่านี่หวนและทเป็นผู้ ขอลูกแรกขวงกันจิตมาให้บรรลุคุณงามความดีทุกคนก็เมื่อพระเจ้าก็เห็นเรื่องนี้นอกจากที่วรธรรมก็มีความหลังเลยสงสัยเรื่องต่างๆพุ่งเข้ามาอะไรผิดอะไรถูกเอาเหตุเอาผลลืมสติไปเมื่อะไปคิดเหตุคิดผล ลองเหลื ism, ่อสงสัยวันที่เกิดพยามบาทยกดบเขรัะงกใช้ออกมาความรักก็ใช้ออกมาเกิดกรรมมาหลักะปฏิฆะเพื่อมีจิตัดนหาติดอะไรมาก็คิดไปทางนั้นลืมสติไป เราเห็นอย่างนี้ก็เออผู้เจ้าเห็นอย่างนี้จนได้บอกผู้เขากันจิตไม่บรรลุกน้ำความดีต้องข้ามไปได้เว้ยพยายามมันก็มั่งพงจังรอะไรเยง่วงเอาหอวนอนหาว อ, า, อาปากมันก็มั่งง่วงหัดได้ชีวิตของเราเนี่ย ผ่านได้ภูเขาลูกนี้อย่างสง่างามเลยถ้าจะหลับก็หลับถ้าจะตื่นก็ตืน่นถ้าจะไม่หลับก็ไม่หลับแต่ถ้าจะหลับก็หลับเลยไม่ต้องฝึงม่วงแน่แต่เราจะใช้มันเลยฝึกดีแล้ว กิจที่ฝึกเด็แล้วยอมนำความสุขมาให้นำการงานมาให้ในงานชอบขึ้นมาเฝึกผ่านผู้เขาลูกนี้ก็นสสิสัยจิตนิสัยสันโยดก็ริงจง่าย สังโยชน์ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากถ้าเรามีถ้าเราผ่านภูเขาลูกแรกได้ตัดสังโยชน์ได้ง่ายสักจะทิฏฐิวิจิจีฉาศิลปตปรต า, ปามาตถือมัน่นยึดมัน่นถือมัน่นเอาความสุขความทุกข์ที่เกิดจากาจาการจะใจว่าเป็นตัวเป็นตนเรามีนิตติเราก็เห็น เวลาไม่ฉลาดใไปในกายก็เป็นสูตรไปแล้วง่ายไปแล้วเห็นกายสักแต่ ว, ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำไมจึงจะตัดไปได้สังโยชนสามักกายญาติติคือเรื่องเกิดกับกายให้ออกมาเป็นจุกเป็นทุกข์ทำไมมันสักแต่ว่าใี่แล้วการตัดสังโยชน์ไม่ใช่ ว่าจะจะเรื่องรากนี้สูตรอยู่หลักสูตรมีอยู่ในสติปัฏฐานวิชาที่เราทำกับปัฏฐานอยู่นี่เป็นสูตรที่เฉลยได้เฉลยได้เห้เกิดแนวร่วงไปก่อนเราท่องสูตรเลขสูตรก็นีาสอน 2 1เป็น2 2 2เป็น4 2 3สองสามเป็นหกสองสีิบไปก่อนวันนี้เอาไว้ใช่2 5มันต้องเป็น10 2 5เป็น11ไม่ถูก2 5เป็น9ก็ไม่ถูก2 5ต้องเป็น10บความหลงไม่ถูกความไม่หลงถูกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยผิดถูกรู้จัก ชัดเจนแอบแ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งกมหลงไม่จริงไม่ต้องถามใครความไม่หลงจริงแ้งจริงๆควมทุกไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องแ้งจริงๆเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเราไม่จะตัดไม่ได้ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ทำใหม่สิ่งที่เกิดกับกายไม่ใช่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ออกมาเป็นความรู้เป็นสติปัญญาแต่ก่อนเนร้อนก็เป็นทุกข์หนาเป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ทุกข์สมัยอาการที่เกิดกับก่าเยอะแยะไม่ใช่ออกมาเป็นทุกข์ได้ปัญญาขอบคุณที่มันลุกจักร้อนขอบคุณที่มาลูกจากหนาวจุดเกิดมันเจ็บขอบคุณที่มาลูกจากเก็บ มันเป็นสัญญาณไผ่ให้เราได้ช่วยน่าจะพูดง่ายเช่นมันหิวอย่างนี้ไปทุกทำไมเราไม่มีความหิวก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้งว่าอาหารขาดในกระเพาะไม่มีพลังงานแล้วต้องกินต้องหาสิ่งที่จะกินไม่ใช่ความทุก นี่สวมฉุกด้วยหรือว่าเราปกติที่ชุดก็ชีคันเนาะปกติที่ชุดแล้วถ้าไม่หิวเนี่ยอันตรายเบื่องาหารเนี่ยอันตารายรับรองว่าเป็นโรคายเสียดแล้วเกิดไม่หิวอาหารจากลําหนักเจ็ดิบหออ้ากิโลเหลืออยู่สี่สิบหกิโลเนี่ยมันไม่หิว เบื่ออย่างรุ่นแรงกลายเป็นโรคมะเลยกันดับสุดท้ายดับที่สี่ไปไม่รู้สึกตัวเลยเพราะฉะนั้นมันหิวมันดีแล้วไปทุกทําไมอากาศที่มาเกิดขึ้นมามนเป็นความจริงที่มันบอกความเทิดความจริงทำไมจะตัดไม่ได้สกิราตทิฐิเนี่ยเราเอาเรื่องเกิดกวาไปทุกทําไม่ีรับประทับสีรับประตาปรามาสเอาจริงเรื่องอะไร ถาตามความจริงอะไรมันเป็นความจริงความโกรธเป็นความจริงหรือถาตามความโกรธหรือถ้ากูได้โกรธกูตายกูไม่เลือมหรือถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ามันก็ไม่ยอมถ้ากูได้โกรธกูไม่ได้ฆ่ามันกูไม่ยอมโอ้ยิงอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวเป็นตน ตำามความโกรธตำตามความทุกตำตามความโลดตำตามความหลงปัดออกไปเลยอ๋อจุดๆๆจิประกาศออกมาได้เลยแต่นี่ไปคําว่าทุกคําว่าฉูกเอาการมาเป็นฉุกเป็นทุกจะไม่เอามาใช่ยอย่างนั้นแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เอากายเอาใจไปทำคนอื่นจริงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดีกต่อไปเด็ดขาดเด็ดขาดนี่เนี่ยสักยติติวิจิจฉาสีวัตตาบาทาตัดอย่างนี้แต่มันมีทุกข์ินโทษอะไรนะครับเป็นประโยชน์ความดีจึงจะเกิดขึ้นกับคนองไมตัดอย่างนี้ความดีก็ขึ้นในยากเข็นเจตัว โลกมากก็ทำลายทำคนให้เดือดร้อนแล้วของคนมันไปนของตัวเองตาตัดสังโยชน์ได้ความดีเกิดขึ้นจากกายจากใจขยายไปสู่โลกเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อญาติยาตระยิยาประโยชน์ต่อญาติ ไปมีลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขไามีสามีเป็นคนดีปัญญาเป็นปคนดีปัญญาสามีก็มีความสุขไปมีเพื่อนเป็นคนดีอย่างนี้เพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็มีความสุขความสุขประกอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เบียดเบียนทับท้ายอะไรต่างๆในทำความดีความดีที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะ อากาศเป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อวัฒนาสนาเป็นพลังให้เก่พระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างนาครบนากราบไว้นี่เดี๋ยวว่ารวมดีเกิดขึ้นแล้ว ในโลกคนดีก็แ้่ไหนโลกโลกก็จะได้อาศัยเพื่อนเราอยู่ที่นี่เราอาศัยวัดว่าก็ต้องอาศัยเราเราไม่เพื่อนนราอาศัยเพื่อนเพื่อนก็ต้องอาศัยเรางเพื่อเหลือเฉืเพื่อป่ามีคนหบังเพื่อป่าอาศัยเราอีกมากพ่อแม่ละ่ะพี่น้อง ส, สัศรัทธาจึง เชีงเวยียดลองอีกลหลลยาอย่างที่ต้องอาศัยเราอยู่เวลานี้ในวัดนี่ก็มีสัสษาเหลาเชียงเมื่อต่างๆต้นน้ยแม่น้ำเดืนดินอ า, ากาศ น, นี่ก็ระวังไฟป่าไม่จะไหมเข้ามาในวัด เราใช้เราป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นทำ้มิวนเฉียวชมยก็มีคนชั่วก็มีเราก็เดือดร้อนสายไฟที่ไปสูบน้ำผสูบน้ำหัอน้ำที่ทางทิวันตกเาก็ลักเอาไปเอาไปฝังไวเง้เอกอาจจะลักอีกก็ได้ขโมย ก, ก็ได้ เราก็เดือดลอนถ้าเราเป็นคนดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นการสร้างสารรค์ทำให้โลกเป็นประโยชน์ต่อโลกระหว่างผู้กับหลงปูกคงเป็นต้นไม้เหมือนตายแถวสวนดีลยยกะหน้ากติของจนันทร์ สินต์ดีต้นปามแดงอย่างดีราคาต้นหนึ่งไม่ต่ากว่าห้าร้ยหกรอยบาทเป็นมันตายเราไปเห็นกับอมันค่ายกับมันขอลองช่วยด้วยหลวงตาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไคุยกับหลวงผูกรมว่าหนู ขอวมช่วยเหลือจุดหลงปูหลงปู ก, ก็เดินผ่านมานี่ก็มาช่วยเห็นว่าเห็นโยมเห็นพี่เห็นเดินผ่านมาไม่ได้เยินเสียงร้องขอร้องตอนจิตบริสุทธิ์จิตว่างอาจารย์พุทธทาสว่าเมื่อจิตบ้างจะได้เยินเสียงญ่าพูดต้นไม้พูดอาจารย์พุทธทาสว่าอย่างนั้นนะเห็นอลารก็ไม่ทอดมาที่ยงดอก มีแต่สิ่งที่ช่วยเหลือเกิดความดีขึ้นมาจากคนดีเราไม่รู้อะไรจิตนั้นวุ่นอยู่มัวแต่คุ้นคิดแต่ลมที่คุ้นคิดไม่ว่างไม่ปล่อยไม่ว่างไม่เห็นโลกตามความเพ็ดความจริงอะไรควรช่วยอะไรไม่ควรช่วยอะไรควรละไม่ควรละไม่รู้เมืออ่อปด พอมีจำนวนมากเราจึงมาเป็นคนดีด้วยการปฏิบัติธรรมดีจริงจริงเป็นคนดีจริงจริงจะไม่กิดวิญญาณก็เดินในความสุขด้วยพอแม่มีรูปเป็นคนดีพาะแม่ค็มีความสุข เราเป็นคนชั่วของพ่อแม่ก็มีความทุกข์ตอนอย่งพูดไว้ว่าระหว่างพ่อแม่กับลูกนะหัวใจหวอกของใจพ่อแม่หนึ่งหวังใหญ่ลูกตลอดเวลาสองได้และมาคิดถึงลูกก่อนสามเอาใจ เอาใจใส่ต่อสุขภาพของลูกยิงกว่าสุขภาพของตัวถ้าลูกหิวเพราะแม่เจียมไม่ได้ถ้าลูกยังหนาวเพราะแม่จุ่นไม่ได้ถ้าลูกเยังร้อนเพราแม่จย็นไม่ได้ถ้าลูกเย็นก่อนถ้าลูกคุนเย้ก่อนลูกเย็นเย้ก่อนเพราะแม่จิ้งจะเย็นตามเอาใจใส่ต่อสุขภาพของลูกยิงกว่าสุขภาพของตัวคอยป้องกันนันตลายทั้งปวง มาให้เกิดขึ้นใชิดหลังเกียรตได้จริงที่เนื้อหลังเกียดของลูกขี้เยี่ยวไม่หลังเกียดนอนกันึนเอาจะมือไปขำก้นดูต้าเป็นขี้ก็อามาดนดูเหม็นๆลูกขึ้นมาล่างเช็ดถูให้บางทีไม่หลังเกียรจริงๆนะเห็นแล้วสมัยเป็นหนุ่มกินข้าวกับพี่ แม่สตรเนี่ยมีลูกพวกลูกกินข้าลูกก็จนนั่งอยู่ตักแม่ปวดเคี้ยงีดิ้งออกไปใสถ่ถ้วยถ้วยปนถ้วยอาหารแล้วก็กูไม่กินแม่มันลบลูกหนีออกไปที่เกียดเย่อหลาอนก็ถูกถ้วยอาหาร ก็ถูกไม่ทูกมวลถูกถ้วยหนึ่งถูกถ้วยผลแม่ช่วยเอามานี่กูกินเองแม่ช่วยกดตอมเจี้ยมผลกินจนดิ่มไม่หลังเกียรติในชีวิงและหลังเกียดของลูกทุกเรื่อไม่ทรมานจิตใจพ่อแม่แต่กับลูกผู้ชั่วชจะหายอันนี้นปลอมฉุกท่วมทุกเนอเมื่อลูกเป็นคนดีพ่อแม่ปลอมสุกใจอันนี้ปฏิเสิดม่ได้ เด <c oughs> กคนก็มีพ่อมีแม่มีสิ่งผู้เกี่ยวข้องเราจงเป็นคนดีปฏิบัติธรรมละความชั่วทำความดีแล้เป็นประโยชน์ตัวตลก เ, เองด้วยมีคนใี้ค่าขึ้นมาจากความเป็นคนมาเป็นกันละยานละชนขึ้นมาเป็นคนดี <c oughs> จากการละยานชนมาเป็นพระอายะบุคลคลชั้นใดชั้นหนึ่งพระโสดาบันพระสติคามีพระนาคามีพระละหันก็ยิ่งวิเศษก็ชีวิตจะประเสรฐนี่เลื่อนชั้นได้ถ้าไม่พัฒนาไม่ศึกษาก็ต่ำลงไปพระโชทั้งต่ำ เราจึงต้องขอยทิ้งไม่ได้ประโยชน์มากกายใจเราเนี่ยมีเครื่องมือทําความดีต่อมาเป็นเครื่องมือทําความดได้เห็นสิ่งเท็จไม่ดีจะได้ช่วยให้มันดีโอ้ได้ยินสิ่งนี้ไมด่ดีจะได้ทําให้มันดีเ yeah, <I> ยี่ยใสกายใจ เป็นเครื่องมือทำความดีได้มากมากที่เดียวเลยสร้างโลกได้โลกพึ่งผาเฉยได้นี่ยนนี้สงเกิดขึ้นเองก็รลอกมันปัดจัดตังดูเองเห็นเองไม่ทำบาปเองก็ไม่ต้องชศ้หอมองเอง ทมย่อมรักษาผู้พิทํรให้ตกไปในที่ชั่วทมย่อมรักษาผู้พิธทธรรมอยู่เป็นนิดนี่ถ้ามีธรรมแล้วถ้าไม่มีธรรมมีคุณหามความดีเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ทุกข์แต่ทุหข์งาความจุกอะไรไม่ได้คิดก็เป็นทุกข์ เอาความคิดมาเป็นความทุกข์คิดแบบกัดตอดตัวเองให้เจ็บปวดมีกายก็มาเป็นทุกข์เป็นโทษทําคุกแต่ร่างกายเป็นเล่าก็เป็นโลกตอบสุขุพลีเป็นโลกปวดเพราะตัวเองทําตัวเองเกิดโลกเกิดจากการอาหารผ่านลงไปทั้งอาหารนี่8ปดสิซ็นตไม่รู้จัก พวกบริโภคไม่ถูกต้องชอบอะไรก็เอาเรื่องนันไม่คิดเสียดายเสื้อเลามากินได้เสื้อบุตีมาสูบได้แตงท่านนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาเห็นว่ามันดีวันนั้นจึงมา ฝึกกรมถ า, านเป็นหนอ่อโอที่แหงกวาดีมีชีวิตเป็นปในกายผู้ฉันเข้าเหยื่อฉันหนอกรู้จักตัวให้มีโอกาสกันเต็มที่หป็นมีตเป็นเพื่อนจะไม่พาลงที่ลงทางไม่อุ่นใจให้สบายใจอย่าคิดเลยมาก เราม่ทอบม่ทิ้งการสัญญาตจางยิ่งแล้วไม่ใช่เราไก่พ่อไก่แม่ไก่พี่กัน้องนี่แหละญาติที่สุดคือกันยานาะมิตรผู้ปฏิบัติธรรมหนมีอะไรก็บอกกันได้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่กันห่างกัน ให้จับคู่กันให้เห็นกันทุกวันชีวิตให้มีคู่กันทุกวันหเห็นกันทุกวันแต่ละคู่ละคู่ถ้าไม่เห็นก็ต้องตามหาบอกกันไปไหนไปไหนได้ไปไหนก็บอกกันให้รู้จั ก, จกวงกันอันตรายั้งวงที่จะเกิดขึ้นเจกันนะกัน เดินกันทุกวันต้องเห็นก็ตามหาก็สง่งก่นเวลาแล้ววันนีก้กราบพระพร้อมกัน